Samma d i t h i samma sankappa. เพื่อปฏิบัติกันเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติก็คือว่าต้องการมาเจริญสติใช่ัหมพอพูดถึงเรื่องการเจริญสติเนี่ยแปลว่าเจริญธรรมะที่เป็นอินทรีย์ทุกตัวเนี่ยคำว่าเจริญสติเนี่ยเท่ากับลักษณะของสตินี่มาจากคำว่าอภิลาภนาลัคนาสติหรืออุปปักขันหานาลัคนาจ่าเนี มาจากคาว่าสภาวธรรมมาเรียกได้สองอย่างนะบางท่านจะเรียกคําว่าสภาพธรรมก็คือสภาวธรรมนั่นเองที่ให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบตนเลึกมั่นต่ออารมณ์นั้นลักษณะของสติเนี่ยจะทําให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบเขาเองและลึกมั่นและลึกมั่นต่ออารมณ์ เช่นระลึกมั่นต่ออารมณ์ของพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณนี่หรือระลึกมั่นในศีลเนี่ยฉะนั้นสภาวะของสจิตสติเนี่ยธรรมชาติเขาระลึกมั่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ให้สภาพธรรมหรือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันกับตัวสตินั้นเนี่ยให้ผัสสะที่เกิดร่วมกันกับสติให้เวทนาสัญญาใช่ไหมผัสสะธรรมชาติที่กระทบ อารมณ์เวทนาก็สวยรสของอารมณ์สัญญาก็จำอารมณ์อย่างเงี้ยนะเอกะขขตาก็ตั้งมั่นอย่างเงี้ยนะทีนี้ธรรมชาติของสติก็จะให้สภาวะธรรมเหล่าเนี้ยให้ศรัทธาวิริยะให้ความไม่โลภความไม่โกรธให้ปัญญาเนี่ยที่เกิดร่วมกันกับสตินั้นเนี่ยระลึกมั่นต่ออารมณ์สติปัฏฐาน ก็คือระลึกมั่นต่ออารมณ์คือระลึกมั่นต่อคุณของพระพูทมีภาคเจ้าระลึกมั่นต่อคุณของพระธรรมและต่อพระสงฆ์นี่ลักษณะของสติหน้าตาของสติเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะธรรมที่ระลึกมั่นเองเมื่อกี้เขาทําให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบเขาระลึกมั่น ทีนี้เขาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยระลึกมั่นในเองด้วยต่ออารมณ์เนี่ยนะอันเป็นที่ตั้งของสติอะไรเป็นที่ตั้งของสติถ้าจเจริญพุทธคุณก็คุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติถ้าระลึกถึงพระธรรมคุณก็พระธรรมไงอันเป็นที่ตั้งของสติถ้าสังขารุสติก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ นั่นแหละเป็นที่ตั้งของสติถ้าระลึกถึงทานเจตนาทานอโลพาทานวัตถุทานคือสิ่งของที่ควรให้นั่นแหละสิ่งของเหล่า น, นั้นเป็นที่ตั้งของสติสติก็ต้องไประลึกมั่นไหมมั่นก็แปลว่าไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลืะอก็ระลึกได้อย่างติดต่อระลึกได้อย่างต่อเนื่อง ระลึกได้อย่างสม่ำเสมอธรรมชาติของสติก็จะเลิกมั่นแบบเนี้ยเขาเรียกระลึกมั่นเหมือนอะไรเหมือนกับแผ่นหินที่ดิ่งลงไปเนี่ยไม่ลอยไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเต้าลักษณะสติจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไอ้ลูกน้ำเต้าเนี่ยที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะลอยไหลทิศทาง แต่ถ้าแผ่นหินถ้าโยนลงไปในน้ํามันจะจมดิ่งเลยไหมลักษณะสติจะระลึกมั่นอย่างนั้นแหละต่ออารมณ์ถ้าพูดถึงรูปนามก็ระลึกมั่นในรูปนามถ้าพูดถึงกายก็ระลึกมั่นที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะอะไรก็อันนั้นก็ในรายละเอียดไปขยายไปธรรมชาติของสติต้องระลึกมั่นรละลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นเนืสภาพว่าธรรมที่ไม่ให้อารมณ์ ไม่ให้อารมณ์ในที่นั้นก็คือว่าไม่ให้คุณของพระพุทธเจ้าไม่ให้คุณของพระธรรมไม่ให้คุณของพระริยสงฆ์ไม่ให้คุณของทานศีลเป็นอต้นเหล่านี้ยอันเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยรอยนี่ลอยหนีไปดุดลูกน้ําเต้าใช่ไหมล็อกอารมณ์ได้ด้วยยึดกาลโอมได้ด้วยไม่ให้อารมณ์นั้นหายไปจากใจไม่ใช่จเจริญพุทธคุณหนักเข้าหนักเข้าคุณของพระเจ้าหายไปไหนก็ไม่รู้ อันนี้แปลว่ารักษาอารมณ์ได้ไหมไม่ใช่สตินั้นธรรมชาติของสตินี่รักษาได้ไหมรักษาด้วยนอกจากระลึกมั่นยังยังรักษาด้วยเพราะมันจะคําว่าอุปปัคนะนะลัคน า, นาใช่ไหมรักษาอารมณ์ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าระลึกถึงคุณความดีทั้งหลายถ้าคุณความดีหายไปจากใจแสดงว่าตอนนั้นสติไม่เกิดแล้วเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นธรรมชาติของสติเนี่ยระลึกมั่นเองด้วยตัวเขาเองเนี่ยแล้วดุดแผ่นหินที่จมด้วยไม่ลอยเหมือนลูกน้ําเต้าด้วยและในขณะเดียวกันเขาก็รักษาอารมณ์ที่เป็นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของสตินั้นเนี่ยไม่ให้ลอยไปเหมือนลูกน้ําเต้าอันนี้เป็นสภาพธรรม ท, ที่มั่นคงต่ออารมณ์ไหมมั่นคงมากๆฉะนั้นถ้าบอกเจริญสติเจริญสติแปลว่ามัน่นคง นั้นคนมีสติจึงเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงไม่เลือเรือนนั้นอันนี้เราก็จะมองเห็นว่าจริงๆและสติเนี่ยดูที่ความมั่นคงไหมตกใจง่ายมีสติไหมไม่มีแล้วอย่างนี่เละนั้นคนที่มีสติเนี่ยเอาดูใครดีดูภาษาลีบุตรเดินไปบินระบาดและโดนโดนชกที่หลังโดนทุบที่หลังเต็มที่เลย ตรงนี้ก็คือลักษณะนี้คือสตินี่มั่นคงไหมลิสภาพถามที่ให้ระลึกถึงกุศลความดีถามว่าในขณะที่ระลึกเนี่ยสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นกุศลไหมเป็นความดีด้วยฉะนั้นระลึกไปในสิ่งใดกุศลความดีก็เกิดขึ้นลักษณะนี้คือสติไม่ใช่ว่ารักษาอารมอย่างเดียวนะ รักษาใจให้เป็นไปกับกุศลด้วยเพราะระลึกถึงเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าธรรมชาติของสติเกิดเนี่ยจะทําให้สภาพจิตใจนั้นเนี่ยเข้าถึงความดีที่ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็สังเกตตรงเนี้ว่าสติเกิดหรือไม่เกิดก็ดูตรงเนี้ยถ้าเรามองได้ลักส่วนนี้เราจะได้รู้ว่าเอ๊ที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมหนึ่ง ลักษณะของสติก็คือว่าระลึกได้นี่นะจะทำให้สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับตัวเนลึกมันน่นในลมจริงหรือไม่นและตัวสติเองเนี่ยนะทำที่ระลึกเองนี่นะลึกมั่นต่อรมเองเนี่ยในรูปนามในขันห้าในคุณของพระเจ้าเป็นต้นอไเนี่ยไม่ลอยเคว้งคว้างเหมือนกับลูกน้ำเต้าไหมดิ่งนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือรักษาอารมณ์ไหม มีถ้าลักษณะถ้าจะแยกออกมาต้องสี่อย่างนะต้องล็อกความหมายของสติให้ได้ก่อนนะั้ากลุ่มที่จะเจริญสติเนี่ยหนึ่งทำให้ธรรมะที่เกิดพร้อมกับตนเองนระะลึกมั่นต่ออารมณ์สองตนเองระลึกมั่นต่ออารมณนะ์นไม่ลอยเหมือนกับลูกน้ำเต้านี่นะดุดแผ่นหินที่จมเนี่ยนะสามรักษาอารมณ์รักษ า, า, กษาคุณของพทธเจ้ารักษาคุณธรรมทั้งหลายเนะี่ยไม่ รักษาอารมณ์ที่มันไม่ให้ลอยหนีไปจากใจไม่ใช่ว่าดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมหายใจเข้าออกก็หายไปจากใจอันนี้แปลว่าสติเกิดไหมเนี่ยเกิดไม่เกิดไม่เกิดเพราะอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนะั้นมันมันหายไปแล้วแปลว่าธรรมชาติของสติมันจะต้องรักษาอารมณ์นี่แล้วอย่างนีงก็คือรักษาอะไรรักษาข้อปฏิบัติด้วยไหมคือระลึกถึงอะไร กุศลเช่นถ้าระลึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วบาปเกิดอย่างนี้ใช่สติไหมเอาละคนคนระลึกแล้วบาปเกิดได้ไหมได้คงคนระลึกด้วยจิตที่เป็นอกุศลหนะึ่งแล้วนี่จเจริญอาณาบานะบาปยังเกิดได้เลยนั่นแปลว่าสติไม่เกิดถ้าสติจะต้องรักษาความดีด้ไมรักษาด้วยตั้งมั่นอยู่ความดีด้วยนี่ก็ อีกประการหนึ่งนะแถมให้อีกอันหนึ่งรักษาข้อปฏิบัติดีที่เป็นประโยชน์รักษาข้อปฏิบัติที่ดีและที่ถูกต้องก็คือว่ารักษาข้อปฏิบัติที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิบัติได้ด้วยรักษณะของสตินี่ยตรงนี้ก็ไปสืบค้นให้ชัดและสังเกตถ้าเราไม่ไม่มีคําสอนของพระศาสดาบอกว่านี่ ถ้าเธอมีศรัทธาแล้วไปเก็บอริยรัพย์พือสติเนี่ยสติมีหน้าตาอย่างนี้เนะแล้วจะหยิบสติถูกไหมมันก็หยิบไม่ถูกถ้าเราไม่ได้รู้คำสอนจะไปจะไปหยิบยังไงเพราะไอธรรมชาติที่จาได้และลึกได้อะ่ะมันมีตั้งหลายอย่างมิจฉาสติก็จาได้นะแล้วก็ละลึกได้ด้วยแต่ละลึกแล้วมันโลภเลึกแล้วมันโกรธ แล้วลึกแล้วมันหลงอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยฉันจําได้เนะเมื่อวานที่คุณด่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยแล้วเครียดมากฉันจําได้เนอะคุณยืมเงินไปนอะคุณต้องออกมาคืนเนี่ยเนยอันนี้มันก็จําได้ใช่ไหมแต่จาแล้วมันได้อะไร ไ, ได้บาปจาได้ด้วยแล้วได้บุญด้วยตรงนี้เขาถึงบอกว่าสภาวะธรรมที่รักษาข้อไปบัตร ด, ดีและก็มีประโยชน์ มีข้อปฏิบัตินี้ดีด้วยใช่ไหมแล้วก็มีประโยชน์ทั้งปัจจุบันด้วยแล้วก็ในภพหน้าด้วยแล้วก็ไม่ไม่ขัดขวางปรมัทถประโยชน์ด้วยอ่ะเราบอกว่าความดีบางอย่างนี่ไปขัดขวางประโยชน์ในภพหน้าได้ไหมที่เราคิดว่าเป็นความดีอ่ะที่เราคิดเองนะว่าเป็นความดีเช่นก็เราเราโลกของเราเนี่ยใช่ไหมเรามีเราไม่ให้ใครอะ่ะมันสิทธิของเราอ่ะ เราไม่ได้ไปทําชั่วกับอะไรกับคนอื่นแล้วโกรธแล้วก็โกรธลูกเราไม่ได้ไปโกรธคนอื่นมันเป็นลูกเราเป็นสิทธิของเราที่เราจะโกรธที่เราจะดา่าที่เราจะประทุษส้ายก็ได้เพราะมันลูกเราอนี่พี่เข้าใจความดีพี่ใช่ไหมความดีลักษณะนี้มันขัดประโยชน์มันไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบันพบหน้าแล้วก็ประโยชน์ขัดขวางประโยชน์อย่างยิ่งด้วยหรือความดีบางอย่างเนี่ยขัดขัดประโยชน์ที่เป็นปรมัตัย ป, ประโยชน์ด้วยนย เช่นเป็นคนดีทำมาหากินแต่เป็นคนไม่ให้ใครเลยยังไม่ไม่ให้ใครเลยลักษณะนี้ในสุจริตวไอ้โลภะที่ไม่ถูกทำลายก็ขัดขวางแล้วก็ท้ามบุญเนี่ยแต่เราเราต้องกินต้องใช้เราจะไปคิดสละเป็นทานอย่างที่กว่าได้ยังไงคือเขาไม่ยอมปรงใจไงว่าเจตนาที่เป็นทาน อโลภาที่เป็นทานพอไม่เกิดมันก็เลยกลายเป็นฉาบติดวัตถุทั้งหมดเลยว่าเป็นวัตถุกรรมเป็นของที่น่าปรารถนาน่ารักซึ่งของที่โกรธก็ได้รักก็ได้ถ้ามันเกิดทําให้เราทุกข์เราก็โกรธแต่ถ้าทําให้เราเกิดความสุขเราก็รักเนี่ยที่สนจริงพ่อมองว่าไม่ใช่เป็นวัตถุกรมวัตถุทานนั่นเองทีนี้ถ้าดูอย่างเป้าหมาย ของวัตถุทานที่ภาษาสดาแสดงเป้าหมายเพื่ออะไรเราเนี่ยเป็นบริษัทของภาษาสดาใช่ไมสรุปก็คือเป็นลูกเมื่อเป็นลูกเนี่ยควรจะได้มรดกของพระพุทธเจ้าไหมมรดกที่ภาษาสดาทรงขับเน้นคือมรดกที่เป็นอริยทรัพย์เราเนี่ยต้องมีสิทธิ์ที่เมื่อเป็นบริษัทแล้วของภาษาสดาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ รับมรมรดกของบุรุษเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทายาทที่ไม่ดีเนะแปลว่าพระศ า, าสดาตัดเราออกจากกองมรดกเนะเหตุที่ตัดเราออกจากกองมรดกเนี่ยไม่ใช่พระศ า, าสดาตราัสแต่ข้อประพฤติปฏิบัติของเรานะ่ยเป็นข้อตัดที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะได้มรดกอันประเสริฐของพระศ า, าสดาอะไรคือมรดกของพระศ า, าสดาอาเลียทรับ ทานกุศลเป็นเป็นอริยทรัพย์ศีลกุศลเป็นอริยทรัพย์ภาวนากุศลเป็นอริยทรัพย์ก็เราเป็นสาวเราเป็นเราเป็นลูกเมื่อเป็นลูกแล้วเราควรมีโอกาสได้ทรัพย์สิถ้าเราไม่มีทรัพย์เนี่ยก็แปลว่าเราเป็นทายาทที่ไม่ดีใช่ไหมที่เป็นทายาทที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่พระศาสดาตัดเรานะแต่เราเนี่ย ปฏิบัติเพื่อตัดข้อปฏิบัติของเราเองที่จะทำให้เราไม่ได้อาริยทรัพย์ฉะนั้นเกิดมาทั้งทีเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ควรถูกตัดออกใช่ไหมทีนี้พระศ า, าสดาก็บอกว่ามรดกของเราเนี่ยมีสองอย่างมีอามิสมรดกกับธรรมมรดกและในธรรมะมรดกก็แยกเป็นโลกิยามรดกกับโลกุตระมรดกใช่หม นี่เราก็แยกให้ถูกสิถ้าอมิตรสมรดกที่พระศาสดาให้พวกเธอทั้งหลายคืออะไรถ้าเป็นพระกิโยอนไงที่พระศาสดาให้บาทรไงข้าวไงแล้วก็ที่อยู่ไงนี่เป็นอมิตรสมรดกนะอาถ้าให้บริษัทของเราก็ให้อะไรก็ตถาคตเนะ่ะให้ทานนกุศลให้สถานนะเป็นบริษัทของท่านเรียบร้อยแล้ว ก็แปลว่าแหละที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมรดกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เป็นอามิสสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นมรดกที่ต ถ, ถาคตคายแล้วถมทิ้งแล้วแต่มรดกเหล่านี้ก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ไม่ใช่ไม่เป็นเธอก็ต้องอาศัยมรดกของต ถ, ถาคตนี่แหละทําไมต ถ, ถาคตยึงบำเพ็ญทานบรารมีเพราะต้องการจะดูแลพวกเราไง ในเรื่องของปัจจัยทั้งหลายจะได้ให้เราไม่เดือดร้อนเอาถ้าหากว่ า, ถาสถานคดไม่ดูแลเราจะมีที่ทําบุญไหมเราจะมีที่ปฏิบัติธรรมไหมเราจะมีนั่นเป็นบุญของพระศ า, าสดาคิดให้ออกเนี่ยบุญพระศาสดานนเนี่ยคุ้มเราอยู่เนี่ยวัดวาอารามต่างๆสถานที่ต่างๆที่แหล่งบุญธรรมทั้งหลายนั้นละมรดกของพระเจ้าที่ประทานไว้ให้ใหกับพุทธบริษัท ได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยได้ไปประพฤติปฏิบัติกันแต่พระาศาสดาบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดนะคลี่อามิ t h มันเจือด้วยอะไรเจือด้วยตัณหาราคะเจือด้วยกิเลสนั้นเธอเป็นบริษัทของเราเธอต้องมองให้ออกว่าเรามีอามิ t สมรดกไว้เนี่ยไว้เพื่อให้เธอนั้น เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการได้ธรรมามณฑคไม่ใช่มีอามิสสรดกไว้เพื่อเป็นปัจจัยเธอจมอยู่ในอามิสสรดกเพราะเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นมรดกที่ไม่ดีไม่ดีทาให้ติดไหมทาให้ติดฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้มองยากไหมมองไม่ยากแล้วใช่ไหมฉะชัน แต่ก่อนเรามาเรามาล่มหลงทราบของพทธเจ้ากันเนี่ยมาล่มหลงมายึดติดแล้วก็สำคัญผิดว่าเป็นทราบของเราใช่มจต่พระเนี่ย เ, เขาดูแลมีบริษัทมีอุบาจกบริษัทดูแลถ้าไปติดกันมันก็จมอยู่นั่นเยเป็นได้แค่เหลือบแค่หนอนใช่ไหมโอ้โหุาสาร์บมเพลินศีลเด็ดตาย ได้เกิดแค่เป็นเลนในจีวรเนี่ย น, นี่ยุ่งเหมือนกันเนยตรงนี้ก็ก็คิดให้ออกพระศาสดาจึงใช้คําว่ามรดกที่ไม่สะอาดอะไรคือไม่สะอาดเพราะมันฉาวติดไปด้วยควา ม, ย, ามยึดติดอทำไมยึดติดยังไงคําว่าอามะเนี่ยแปลว่ากลิ่นคาวของกิเลสเมื่ออาศัยอมิตรสมรดกแล้วต้องระวังระวังกิเลสมันจะออกมาช่วยกิน่น เพรกิเลสนั้นฉาบติดในใจใช่ไหมกิเลสก็ไปยึดติดในตัวเนี้ยตัวอ ม, มิตรทั้งหลายในตัวเหยื่อทั้งหลายแล้วเนี้ยพอยึดติดแล้วมันออกไม่ได้ออกไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าโอ้ยังไงไอสภาพที่ใจที่เข้าไปยึดติดทั้งหลายเนี่ยที่จริงพระศาสดาทรงอนุญาตนะทรงรู้ว่าในการต่อไปเนี่ยบริษัทของพระศาสดาเนี่ยทั้งเครื่องหัดและบรรพชิตเนี่ย จะอ่อนแอทั้งกำลังกายและกำลังของญาณ น, นะคือปัญญาพระองค์ก็อนุญาตใช้คำว่าอติเลกาลาโพวิหาโลอัทยโยโคปาสาทโทฮัมยังคูหาใช่ไหมเวลาพระเวลาบวชกันเนี่ยโอชาท่านจะให้ท่านจะสวดว่ารุขขมูราเสนาสนังอุสาโหการณิโยอติเลกาลาโพเนี่ย วิหะโรอัธโยโคปาสาโทฮามียังคูฮะคืออนุญาตนะวิหารที่อยู่อาศัยอนุญาตจีวรในเรื่องต่างๆแต่ทรงอนุญาตไว้ไม่พอเนะพระ อ, องค์ยังกำกับไว้อีกนะกลัวว่าบริษัทของพระ อ, องค์เนี่ยจะติดอยู่ในอา ม, มิธเหล่าเนี้ยที่มันจะจมปักอยู่ในทะเลใหญ่เนี่นะมันจะจมปักอยู่ในไหนอยู่ในสภาพของตันหาที่ยินดีในปัจจามิตรแล้วก็โลกามิตรวตามิธเนี่ยนะ พระองค์ก็สอนให้มีปัจจเวิขณะสุทธิเลยเช่นเราจะไปรับประทานอาหารจะไปใช้สิ่งของกันต่งตางๆต้องพิจารณาเนอะต้องพิจารณาเราวิจารณาหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยพิจารณาไหมเวลาไปรับประทานอาหารพิจารณาหรือเปล่าพิจารณาว่าไงอ๋อดิฉันินีัยบอกว่าเป็นปฏิคูณเลยแล้วพิจารณาจากนั้นนอกจากนั้นได้ไหม ก็ปฏิสังขายโยใช่มหมเป็นบาปก็อาหารเราบริโภคอาหารไปในจริงๆเป้าหมายเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้กายนี้ดํารงอยู่ได้เป็นไปได้ใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อทําบาปไม่ใช่หรือเพื่อจะเจริญทานเพื่อจะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมฉะนั้นอาหารทุกทุกไอ้เกี่ยวกับในเรื่องก็เกาลิงลอาหารคือโอชาทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ย ก็แผ่ซึมซาบเข้าไปในกระแสของรูปขันและตอนนี้ยังมีอาหารอยู่ไหมยังหล่อเลี้ยงอยู่ั้ยแล้วอาหารเหล่าเนี้ที่เขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอาหารที่พระศาสดาทรงประทานให้เนี่ยอาหารเหล่านี้อยู่ในรูปขันแล้วเคยทำบาปให้เกิดเพราะอาศัยอาหารนี้ไหมต่อไปก็อย่าไปทำโอ่คอย่าไปทาอย่าให้บาปเกิดถ้าบาปมันจะเกิดก็บอกว่า มืนขนาดอาหารที่หล่อเลี้ยงรูปะกายเราอยู่เนี่ยเป็นผลของทานบา ร, รมีของ菩萨ตถาแทพระศาสาด า, ส า, ส า, ดาก็สอนแล้วให้พิจารณาพอวิตามินทั้งหลายไปหล่อเลี้ยงร่างกายพอร่างกายแข็งแรงก็หน่อยก็โลภะเกิดใช่ไหมโลภะตัวสามมหอเกิดไม่สมควรเลยเนี่ยอภิจารณาเสื้อผ้าพิจารณาไหมพิจารณาอย่างไงตัวนี้บางไปไม่เพียงพอแตตอนเช้า คือพิจารณาอย่างไงพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยถ้ามันเกิดหนาวเกินไปกุสนเดินสะดวกไหมไม่สะดวกแต่ถ้ามันเกิดว่าอุ่นเกินไปจนทําให้ติดก็เป็นโทษใช่ไหมฉะนั้นเราจะทําให้ความสะดวกเกิดขึ้นจากการได้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเพื่อเกื้อหนุนเป็นปัจจัยต่อการทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเสื้อตัวไหนใส่แล้วเจริญพุทธคุณได้สะดวกก็ใส่ตัวนั้นบ่อยๆดีไหมอย่างเงี้ยนะตัวไหนใส่แล้วทําให้คิดถึงพระเจ้าได้น้อยก็ถอดทิ้งถอดทิ้งวะ่ะอย่างเงี้ยนะนี่ก็เครื่องหนุ่ห่มที่อยู่อาศัยก็พิจนารณาได้ใช่ไหมเป้าหมายเพื่อเกื้อหนุนกี่กับการที่จะพ่อคูณและเจริญกุศลวิตามินหรือยาทั้งหลายที่เรารับประทานเข้าไปถ้าปวดหัวก็ทานยาหรืออะไรต่าง ป่วยไข้ก็ทานอย่าแต่ทานเพื่ออะไรให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อการเจริญกุศลใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นทุกครั้งหรือเปล่าถ้าไม่คิดนะลืมปัจเอหขนาดสุดที่เชื่อว่าเราจมอยู่ในทะลเลทะเลเกลือแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่เกาะเล็กๆไอ้น้ํานี่เนาะน้ํามันจะท่วมเกาะอยู่แล้วจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ใ จ, จขาดอยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่ใจขาดแล้วก็จมอยู่ในทะเลเกลือคือ เนี่ยอีกอามิต ท, ทั้งหลายเหล่าเนี่ยฉะนั้นมีเรืออยู่ที่พระศ า, าสดาทรงประทานให้คือปัจเจเวขณฑสุทธิเมื่อศีลเราดีแล้วกระโดดขึ้นเรือที่ขึ้นีหมยังตอนเนี้ยขึ้นแล้วเนี่ยก็คือพิจรารณาก็ขึ้นอยู่บนเรือเสียะจะปลอดภัยไหมตอนเนี้ยเพราะปัจเจเวขณฑสุทธิแบบว่าเราก็จะได้ออกจากอิทะเลเกลือที่มันล้อมเกาะเล็กๆนี้ได้อยู่มันล้อมเกาะเล็กๆนี้อยู่ตอนนี้ไม่ปลอดภัยชีวิตเราเนี่ย ถ้าขืนอยู่ตรงต่อไปเนี่ยน้ําจะท่วมไหมเนี่ยน้ําก็ท่วมกรุงเทพเนี่ยอยู่ น, นานเดี๋ยวน้าท่วมไหมน้ําก็ท่วมอันนี้เหมือนกันถ้าเราเฝ้าขันนี้อยู่เรียบร้อยเดี๋ยวก็ตายเดี๋วก็ตายตายก็ไปเกิดใหม่ก็ออกจากขันไม่ได้ออกจากขันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าอามิสสมรดกนี่เป็นมรดกที่ไม่สะอาด แต่เราจะวิจัยยังไงเห็นความจริงของมรดกที่ไม่สะอาดนี้ให้ได้พอเราเข้าใจอา m ิ t h อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็น้อมหาธรรมมรดกใช่ไหมเอออามิ t h สมรดกนี้ต้องเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การได้ธรรมะมรดกของพระบรมศาสดาเราเป็นลูกของพระาศาสดาจับมาจมอยู่กับมรดกที่ไม่สะอาดมรดกที่ไม่ดีมรดกที่พระาศาสดาทรงตําหนิทรงขายทิ้งสละทิ้ง ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเป็นลูกที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นลูกที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกที่ดีใช่ไหมของพระบรมศา ส, สดามรดกเหล่านี้ต้องเกื้อหนุนต่อการบำเพ็ญธรรมบารดกที่ธรรมบารดกก็เริ่มตั้งแต่ไหนทานกนะุศลศีลกุศลคําว่าทานกุศลขับเน้นเจตนาทานนะเจตนาทานนะแล้วก็ขับเน้นอโลพาทาน คับเน้นตัววัตถุทานยังไงให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจทานากุศลเนี่ยนะแปลว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างใจเราจะเป็นกุศลมากเลยเพราะสติเราระลึกได้เป็นชั้นของจากคานุสติได้เอาเราให้ทานกันมาทุกคนเนี่ยแล้วมีทานชิ้นไหนวัตถุชิ้นไหนวัตถุทานชิ้นไหนที่ระลึกแล้วประทับใจ ได้ความปาโมดปีติประเสริฐใสบาททุกวันนี่ได้ไหมเห็นไมปริมาณเมตดทานดูเหมือนเล็กน้อยแต่ที่ไหนได้มากได้วยเ ย, ยรนามากด้วยการสลักมากด้วยการนอบน้อมบูชาคุณเนี่ยของพระรัตนตรยนัยไงแล้วกระแสใจเรานั้นน่ะถ้าสติเดินเนี่ยไปกระทบคุณของพระรัตนเนี่ยนานไหม ถ้ากระทบได้นาะนเนี่ยบางคนกระทบได้สองนาทีสามนาทีสี่ห้านาทีบางคนกระทบได้ถึงสามสิบนาทียี่ว่าไงนั่นแหะเป็นกรรมฐานไปแล้วเป็นภาวนากุศลไปแล้วเนี่ยพัฒนาจากทานากุศลนี่ไหมจากทานากุศลเนี่ยขึ้นสู่ศีลแกุศลได้อะเป็นได้ไงจากการสละเนี่ยการสละทานเนี่ยทานากุศล พอสละทั้งภายในทายนอกได้ใช่ไหมทิศตัววัตถุทานภายในก็สละไอความตนหนีถูกทำลายไหมโลภะก็ถูกทำลายแปลว่าอะไรทานสำเร็จแล้วนะเนี่ยแล้วก็น้อมบูชาคุณยิ่งใหญ่มากเลยทีนี้พอน้อมในลักษณะนะัะ้นกุศละศีลก็เกิดได้ด้วยการสละให้อะไรให้ความปลอดภัยในชีวิต เอาคิดถึงสัตว์ที่มีชีวิตคิดถึงพวกเราทั้งหลายให้ความปลอดภัยในชีวิตเป็นมหาทานไหมเป็นมหาทานข้อแรกเนี่ยไม่ค่าให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินทุกคนมีทรัพย์สินหมดมไหมทรัพย์สินของเขาก็เป็นของใครก็เป็นของเขาใช่ไหมแล้วกระทบคนได้ทั้งโลกไหมเนี่ยชีวิตก็กระทบสัตว์ได้ทั้งโลกยิ่งใหญ่ไม่มหาทานเนี่ยแม้ทานอกุศลกระทบสัตว์ได้ทั้งโลกด้วย เดิมแม้นแม้นอาทินาทานการไม่ไม่ไม่รักเนี่ยแม้ไปไม่ประพฤติผิดในกามก็กระทบอสามีของเขาก็ยังเป็นไม่เป็นของเราเนียอย่างเงี้ยพิจารณานี้่ไหมเป็นอะไรเป็นมหาทานข้อที่สามแล้วคําสัต์คําจริงเป็นหาทานข้อที่ให้อะไรเราจะให้ความให้คําที่จริงให้คําพูดที่จริงให้ไหมนี่ถือว่าให้ไหม ให้คําพูดที่จริงถ้าให้คําพูดที่เป็นไปเพื่อให้คนสามัคคีกันอันนี้เป็นเป็นศีลไหมเป็นแล้วไหมเนี่ยให้ความไม่แตกแยกถ้าให้คําเพราะคําอ่อนหวานให้คําไม่หยาบเป็นศีลกุศลไหมเราจะให้อัตถะให้ธรรมะเขาไม่ให้คําเพื่อเจอือแต่ก่อนเราบอกว่าเพื่อเจือรักษายากใช่ไหม ที่ไหนได้เอาเราจะให้สาระกับเขาทุกเรื่องที่พูดเราไม่ใช่จะให้สิ่งที่ไร้สาระฉะนั้นเราจะใช้คำพูดที่ให้สาระให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเห็นไหมชีวิตเป็นมหาทานให้หมดเลยให้ของไม่มึนเมาให้สิ่งที่ไม่ประทุษลายสติสัมปชัญญะให้ไปได้อย่างยิ่งใหญ่เลยให้ความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ให้ปัญญาเขาได้ด้วยกุศลศีลหมุนในใจไหม นี่ไงการสละเป็นมหาทานถ้าเราได้ดื่มดำรดของกุศลแศีลอย่างเนี้ยเอากุศลศีนเอากุศลทานต่างๆมาไข้ควรบ่อยๆเกิดใหม่ๆเป็นทานเป็นศีลเอามาเกิดซ้ำๆๆบ่อยๆกลายเป็นอะไรเป็นภาวนากุศลที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลที่เกิดขึ้นขั้ ง, ลล ง, งหลังๆและมีความเจริญไปบุญยิ่งๆขึ้นไปเขาเรียกว่าทานศีนภาวนาเดินนี่ยั ง, ยงเดินแล้วตอนนี้ได้ดื่มดำทำให้มารดดกนี่ยัง ได้แล้วนี่ไงเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ยังเป็นโลกิยะอยู่ใช่ไหมนี่โลกิยะมารดกที่เป็นธรรมะมรดกแปลว่าเราก็เริ่มออกจากมารดกที่ไม่สะอาดที่พระศาสดาเฝ้าสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเธออย่ายึดติดด้วยตัณหาได้แล้วก็ได้ดื่มดามลวดของธรรมะมรดกจากโลกิยะมารดกพัฒนาเพื่อจะเข้าถึงโลกุตระมมรดกเอาปฏิบัติธรรมยากหรือไม่ยากถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้ว ฟังเริ่มไม่ยากแต่เดินเริ่มเดินยากไหมไม่ย า, ไมยากแล้วแต่เนี้ยเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยแล้วมีศรัทธาคนที่มีความเชื่อมั่นต่อพระเจ้าเนี่ยการเดินกุศลไม่ยากก็เพราะเราลังเลสงสัยมานานที่มเดินยากใช่ไหมมันเข้ามุมไม่ถูกเข้ามุมไม่ถูกก็เดินก็หากุศลไม่ได้พอเดินก็หากุศลไม่ได้ก็ตีบตันอึดอัดขัดเคืองกลายเป็นกลายเป็นคนเลยอนนาถา เราอยากเป็นบุตรอนาถาหรือเป็นบุตรที่ไม่อนาถาไม่อนาถาใช่ไหมก็เรามีสิทธิ์ไหมเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์จะรับมรดกอมิสมรดกรดก็มีสิทธิ์รับธรรมามรดกก็มีสิทธิ์ที่จะรับแต่เราก็รู้จักตั้งท่าทีต่ออมิสมรดกเพราะมรดกที่พระาศาสดาเตือนไว้แล้วว่าอย่าติดนะมันเป็นของไม่สะอาดมันเจือด้วยกิเลส มาเจอได้กลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายแต่เราจะควายคว้าเอาธรรมะมรดกและเราสา ม, มารถที่จะให้ธรรมารสเนี่ยนะธรรมะมรดกเนี่ยไหลก็สู่กระแสใจเราได้ตลอดเวลาไหมนั่นแปลว่าเราได้ดื่มรสได้ยังได้ดื่มรสของธรรมะมรดกแล้วเอานั่งอยู่นี้ได้ดื่มไหมอาจะไม่ซึมซึมเลยอันนี้ไอ้การมาฉันทาใช้ธรรมะมรดกไหม ความยินดีติดใจในการมาคุณความโกรธก็ไม่ใช่ใช่ไหมหดหู่ท้อถอยก็ไม่ใช่ลังเลสงสัยก็ไม่ใช่ฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ไม่ใช่ความหลงความโง่ก็ไม่ใช่ความไม่ยินดีในการเจริญกุศลก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะมรดกอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมรดกธรรมะเหล่านี้อกุศลธรรมเหล่านี้ภาษาสดาให้ทิ้งให้ละไม่ใช่มรดกของภาษาสดา นั้นเราต้องการอยากเป็นผู้ได้เสวยได้ดื่มด่ำรสของธรรมบารดกของภาษาสดาเราต้องบริโภคให้ได้เอาใครว่ายากบ้างการบริโภคธรรมบารด ก, ก, กถ้าเข้าใจมุมลักษณะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าภาษาสดาอยู่กับเราตลอดเวลาไหมอยู่กับเราตลอดเวลาคอยพร่ำสอนทุกเรื่องมีไหมที่มีภาษาสดาทรงมีพระคุณนันประเสริฐขนาดเนี้ย สอนทุกเรื่องอ่ะบอกทุกเรื่องเนี่เป็นบุญยาลาบแล้วใช่ไหม <c oughs> ขนาดบุคคลที่มีพระคุณมีบุญคุณขนาดนี้ด้วยความที่บางขาวเราประมาทพลาดพัพ้งเนี่ยเรายังไปประพฤติผิดกับพระพุทธเจ้าได้ลองคิดดูสิ <c oughs> เรายังไปประพฤติผิดกับพระองค์ได้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วในอนาคตก็ไม่แน่เอเนี่ยเนี่ย ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาก็ไปประทุสลายประส า, าสดายนั้นจึงต้องรักษาตนเองให้ดีเนาะอย่าไปรักษาตนเองก็คือรักษาข้อปฏิบัติรักษาอะไรสภาวะธรรมที่รักษาข้อปฏิบัติ ด, ดีที่มีประโยชน์เมื่อพระธรรมเมื่อเมื่อจิตใจเราน้อมเข้าถึงว่าธรรมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยเมื่อเราเมื่อพระธรรมนั้นไหลอยู่ในกระแสของชีวิตแล้วเนี่ยตอนนั้นพระธรรมจะรักษาเราไหมธรรมะใช่ไหมย่อมรักษาเลยผู้ประพฤติธรรมใครคือผู้ประพฤติธรรมขันห้านี่ไงขันห้านี่แหละที่เดินไปตามศีลสมาธิปัญญาที่เดินไปตามตามทานศีลโพนาขันห้านี่แหละชื่อว่ากําลังประพฤติธรรมธรรมะก็เลยมารักษาขันห้า คำว่าพระธรรมรักษาแปลว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันไหมนั่นไงพระพุทธเจ้าก็รักษาเราพระพุทธเจ้าบอกให้เราออกจากดึงเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเกื้อกูลแก่กระแสขันของเราไหมเกื้อกูลต่อเราในขณะที่เรากําลังปฏิบัติธรรมและพระธรรมกาลังรักษาเราอยู่นั้นน่ะ เรากําลังจะพัฒนาขัดเกลาตัวเองให้เป็นสังฆะให้เป็นสงฆ์อยากไหมเป็นอะไรเป็นอริยสงฆ์อยากจะเป็นหนึ่งเดียวในพระรัตนตรัยไหมละ่ะก็แนวทางนี้แหละที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นหนึ่งเดียวของพระรัตนตรยัยคือสภาวะที่ดับทุกข์หรือสิ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทิทุกข์เป็นต้น ตอนนี้กำลังพัฒนาไหยก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในพัฒนาไตรเด็ดตั้งไว้มั่นคงไหมแบบเนี้ยมั่นคงแล้วนะเอาใครไม่เข้าใจมุมนี้นี่ชัดเจนไหมชัดเจนแล้วเนะี่ยเหลืออย่างเดียวว่าข้อปฏิบัติยังไม่ชัดเจนนะใช่ไหมตอนนี้ข้อปฏิบัติยังไม่ชัดเจนแต่ว่าการได้ดื่ม ถ้าอย่างนีชีวิตจะไม่ว้าวีชีวิตจะปลอดภัยเขาบอกมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดภัยมีพระบรมศาสดาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจะไปอยู่คนเดียวก็ไม่ว้าวีเพราะพระธรรมรักษาไหมพระธรรมรักษาพระศาสดาดูแลเราเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะดูแลคุ้มครองบุตรของท่านได้ในที่ทุกสถานในการทุกมือ่อไม่ว่าจะไปนะัพบไหนยกเว้นอบายภูมิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะพระพุทธเจ้าจะไม่ให้เราตกไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายใช่ไหมเพราะอะไรพระธรรมรักษาเราไหมพระธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมเหมือนไงนะที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขกเกษมสารชี้ทาง พระนิพานอันพ้นโศวิโยภัยเคยท่องไหมเคยนะชี้ทางบรรเทาทุกข์ทางอะไรมัชฌิมาปฏิปทานเนยพุทเจ้าชี้ชี้สุขกเกษมสารสุขในที่นั้นคือสุขในพระนิพพานเนะชี้ทางพระนิพพานก็คือชี้มัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าถึงพระนิพพานอันพ้นโศกพ้นจากความโศความลำไรลําบันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจ ต่อไปเราจะไม่โศกแล้วต่อไปเราจะไม่โศกแล้วเพราะเรามีภาษาสดาชี้ทางใช่ไภษาสดาจริงเป็นเครื่องกาจัดภัยให้กับเราท่านทั้งหลายทำให้เรานั้นน่ะกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้หวนเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเกื้อกูลด้วยตอนนี้ออกได้ยางจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเป็นประโยชน์ไหมเกื้อกูลเกี่อกระแสชีวิตไหมไม่เกื้อกูลตอนนี้ออกไม่ได้ยังถ้าออกไม่ได้แปลว่าภาษาสดานั้นเป็นสารณะให้กับเราได้เป็นเครื่องกําจัดภัยให้กับเราได้เป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นการเห็นภาษาสดาเห็นด้วยตาเนื้อหรือตาปัญญาตาปัญญาเริ่มชัดเจนแล้วเนาเอาไปมองตาเนื้อแต่จากตาเนื้อเป็นปัจจัยสู่ตาปัญญาได้ไหม แต่บางคนมองจะ ต, ตายไม่เห็นเลยใช่มหมแต่ว้าวพระรูปใครปั้นเนี่ยสวยจังได้แค่นั้นแหละเอ๊งปั้นไม่สวยเลยได้แค่นั้นเองใช่ไหมแต่เราผ่านพระรูปของพระาศาสดาเขาปั้นไว้เพื่ออะไรไเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้มีได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระศาสดามีพระรูปอย่างนี้ จะได้เห็นมหาบุรีสลักขณะของภาษาสดาเขาบอกเต็มที่เขาแล้วก็ปั้นได้แค่นี้แต่ภาษาสดานั้นมีมหาบุริสลักขณะที่ชัดเจนกว่า น, นี้มากงดงามกว่า น, นี้มากอันนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มเข้าเข้าถึงคําสอนทีนี้แล้วพระธรรมแหละอ๋อพระธรรมแล้วรักษาเราอย่างไรรักษาผู้ปูิธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วจะไม่ได้ต้องมันคือธรรมะเนี่ย สภาพที่ทรงไว้เนี่ยก็คือสภาพที่รักษาสัตว์ไว้ไม่ตกไปในกันดานทั้งหลายเขาเรียกนั่นไงเป็นสาระเป็นเครื่องกัปจัดภัยเป็นที่พึ่งเพราะทําให้สัตว์นั้นไม่ตกไปในกันดานอะไรคือกันดานอ่ะชาติคือการเกิดเป็นกันดานไหมกันดานไหมชราคือความแก่นี่เป็นกันดานไหมพยาธิคือความเจ็บป่วยเนี่เป็นกันดานไหม ปรน่าคือความตายกับเป็นกันดานโศกอากาศปฏิเทวทุกขโทนะสาวไปยะเป็นกันดานหมดเลยอตอนนี้ชีวิตเราพ้นจากกันดานนี่ยังยังเพราะเราไม่ได้เข้าถึงพระธรรมแบบโลกุตรธรรมใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ในขณะที่เราเดินพระธรรมในเริ่มรักษาเราแล้วใช่ไหมรักษาให้เราไม่ตกไปในใบภูมิก่อนเนาะตอนเนี้ย รักษาเราพ้นจากกันดานในใบยภูมิแน่นอนเพราะเราสร้างเหตุดีแต่ต่อไปจะพ้นจากกันดานคือวัตะได้จนพระสงค์ก็เป็นสาระเป็นเครื่องกำจัดภัยเราเพราะว่าทำให้สการะแม้น้อยนิดมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยตัวแทนของพระสงค์หนึ่งท่านนี่นะนั่นแหละถ้าเราเชื่อมโยงพระสงค์หนึ่งรูปเข้าถึงพระรัตนตรยได้เมื่อไหร่ แม้สักการะที่นิดเดียวเนี่ยก็มีผลมากผลพ่ออะไรผลมากขนาดไหนวางวัตถุชิ้นนั้นไว้ในหมู่สงเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากชาติภัยชลาภัยปยาทิภัยมรณะภัยได้ขอยตั้งให้ถูกจะพ้นได้แน่ดีที่ผ่านมา เ, นเราตั้งไม่ถูกแล้วน้อมไม่ถูกแล้วน้อมไม่ชัดสัตทินรีความเชื่อมั่นไม่แข็งแรง ถ้าแข็งแรงเนี่ยป่าเ น, นี้เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีมานั่งอยู่ตรงนี้หราขันเหล่าเนี่ยจะไม่มามานัประชุมตรงนี้เราป่า น, นี้ยปริญิาพานหมดแล้วเพราะเราตั้งไว้ผิดไงแล้วตั้งไว้ในหมู่สงผิดต่อไปเราจะตั้งวัตถุทานไว้ในหมู่สงสาวกของพระศาสดาให้ถูกด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระร า, า, นาตนะไัยใช่ไหมเพราะ พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นสภาวะที่ดับทุกได้จริงอที่เราไปตั้งกันอีท่าไหนมันถึงดับกระแสะของขันห้าไม่ได้แล้วมานั่งเจ็บปวดทนหนาวทนร้อนกันอยู่างเงี้ยอันนี้ผิดพลาดใช่ไหมต่อไปตั้งใหม่ไหมไม่ตั้งใหม่ก็ไม่ได้แล้วจะหมดเวลาแก้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้ต้องตั้งใหม่แสดงว่าเราผิดพลาดแน่นอนเห็นเราตั้ง ตั้งเจตตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นไว้ในพระรัตนาตัยผิดแน่นอนก็ Serbia, คนบางท่านเขาดอกไม้ดอกเดียวบูชาเขาพ้นทุกไปแล้วอะ่ะนี้เราบูชาไปทั้งหลายดอกแล้วไม่เห็นได้ไดเลยเลยเนี่ยไม่ได้น้อยจังเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าปริมาณของความเข้าใจเรายังอ่อนแออยู่มากเข้าใจยัง ศรัทธาแล้วก็เนี่เยนี่ยโอ้บางท่านนี่เนี่ยกว่าจะได้ไปเคารพพระรัตนตรายนี่โอ้ยากแสนเข็ยนใช่ไหมอย่างเราเนี่ยมองไปที่ไหนก็เห็นเกลื่อนกลานไปหมดเหลืออย่างเดียวความพร้อมทางด้านนามธรรมาไม่ถึงบางคนน่มีวัตถุภายนอกเต็มไปหมดนะแต่นามธรรมาไม่ถึงอะ ไม่สามารถที่จะเดินศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เข้าถึงอินทรีย์เข้าถึงภะะได้ใช่ไหมมันก็ออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักไม่ได้ศรัทธาออกจากตัณหาไม่ได้วิริยะออกจากโ ก, ชกศชาโกศนไม่ได้สติออกจากมุัดสติอกุศลไม่ได้สมาธิออกจากวิเขป่าความฟุ้งซ่านไม่ได้ปัญญาออกจากกลุ่มสัมโมหะไม่ได้มันก็อ่อนแอนเพราะอ่อนแอนก็ได้แค่นี้มันก็ได้อย่างนี้ ฉั้นต่อไปต้องเพิ่มไหมเพิ่มอินซีห้าเพิ่มพละห<ๆ>้าก็แปลว่าเพิ่มอินซีห้าเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพิ่มอินซีห้าเพื่ออะไรเพื่อรักษาอินซียหกไม่ให้บาปเกิดไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันหมุนเข้าสู่กระแสจิตใช่ไหมตาหูจมูกเล่นกายใจใช่อินทรีหกไหม อินซีหกเนาะตอนนี้เรารักษาดีไหมเนี่ยไม่ค่อยดีบาบวิ่งเข้าเมื่อไรก็ได้เนอะอยากจะเข้าทางตาเมื่อไรก็ได้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอ้าวมีใครจะสงสัยอะไรไหมตอนนี้ยเริ่มจะเข้าใกล้ชิดพระศ า, าสดาได้ยังตอนนี้ยพระธรรมและพระสงฆ์มั่นใจไหมว่าชาตินี้จะต้องเข้าถึงธรรมะมรดกของพระบรมศาสดา เราจะต้องได้โอกาสรับธรรมะมรดกของพระศาสดามั่นใจไหมเอา้าศีนใช่ไหมมั่นใจจะเข้าได้ระดับศีน์ไหมระดับสมาธิระดับปัญญาระดับศีนสมาธิปัญญาระดับไหนระดับทานกุศลสีนกุศลหรือภาวนานกุศลภาวนานกุศลจะได้ไหมจะเอาธรรมะมรดกแบบโลกิยะและโลกุตระตอนนี้ได้อะไรแล้ว โลกิยะโลกิยระดับไหนเนี่ยระดับไหนระดบับอาทิตถิวิสุทธิได้ยังเห็นตรงหรือยังตอนนี้เห็นหรือยังอาทิตถิวิสุทธิแปลว่าเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงได้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะลรวรู้จักคำว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันนี่ยังรู้จักชัดเจนหรือยัง ยังไม่ชัดแล้วมันทิถีไว้ส่วนที่อันเงี้ยกรรมมรรคตาสามาทิถีก่อนตอนเนี้ยแข็งแรงไหมเชื่อกรรมไหมเชื่อผลของกรรมไหมแล้วรู้ไหมตอนนี้กําลังทํากรรมอะไรเนี่ยกุศลกรรมเยอะไหมกําลังทํากุศลกรรมแล้วถ้าเชื่ออย่างนั้นน่ะถ้าอากุศลกรรมมันจะเข้ามาแทรกใจเราเกิดเนี่ยเราปฏิเสธมันได้ทันทีไหมทันทีเลยหรือว่าน่าเชื่อ ใ, ใจไม่ให้ บาปจะเกิดทึกนิดก็ไม่ให้เกิดเลยเด้โอ้นี่เชื่อกมจริงๆนะอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เรียกกรมัสกตาสมาธิถ้าบอกอให้มันเกิดบ้างเลยไม่ได้เกิดมาทั้งน้นเลยเดี๋ยวทางนั้นเดินก็จะไม่ให้บาปเกิดแล้วสิอะไรเงี้ยเพราะกลัวจะเป็นอ ก, กุศลกรรม嘛เพราะเราเชื่อผลของกรรมชั่วใช่ไหมว่าให้ผลเป็นทุกข์นี่นั่งก็จะไม่ให้อ ก, กุศลกรรมเกิดยืนก็จะไม่ให้อ ก, กุศลกรรมเกิด นอนก็จะไม่ทําอกุศลกรรมสรุปก็คือจะไม่ทํากรรมชั่วในทั้งสี่ยาบทนะเขาก็ย่อยลงสู่ยาบทย่อยเลยไหมก้าวไปถอยกลับก็จะไม่ให้บาปเกิดแลตรงแลเหลียวก็จะไม่ให้บาปเกิดคูเข้าเหยียดออกก็จะไม่ให้บาปเกิดใช่ไหมกินดื่มเคี้ยวเลียมก็จะไม่ให้บาปเกิดถายอุจจาระปัสสาวะ ก็จะไม่ให้บาปเกิดยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งก็จะไม่ให้บาปเกิดทํงไงได้จริงอ่ะ น, นุ่งห่มเสื้อผ้าก็ยังไม่ให้บาปเกิดโแต่ทำอย่างนี้ได้เขาเรียกมีสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเนี้นเนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยโอกาสบรรลุอ่ะอยู่ปลายจมูกแล้ว ใช่ไหมอยู่แค่อึ่มแล้วถ้าทําได้ขนาดนั้นนะไม่ให้บาปเกิดได้ในโอกาสนะเนนะี่แต่แต่ข้อที่จริงทําได้งั้นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมก้าวไปถอยกลับไม่ให้บาปเกิดใช่ไหมแลตรงอะแล่ยังไงแลตรงอะโลกีเตวิโรกีเตเนี่ยสัมปชาญาการีโห ด, ดีอะและตรงก็แลต่ตรงตรงอย่างนึงแล่เหลียวอะแล่อย่างนึะ ถ้ามองขึ้นกับมองลงเนี่ยเขาเรียกอะไรก็ <g ül> แหล่เดี่ยวเนี่ยใช่ม <g ül> เห็นไหมเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยทั้งนั้นวิธีคิดสมมติแลอยู่ตรงๆเนี่ยนะถ้ารู้ว่าหันไปด้านซ้ายบาปอักขศนธรรมลามกอกุศนกรรมจะเกิดจะเหลียวหรือไม่เหลียวไม่เหลียวนไต่อให้ใครเรียกเสียงเพาะยังไงก็ไม่เหลียวเพราะรู้ว่าโลภะจะเกิด <g ül> นี่เนี่ยจะแลก็ใครกวนพิจารณาก่อนแล้วค่อยเล่ เอ๊ะางนี้เราไม่กลายเป็นหุ่นยนต์เลยนี่ค่อยๆเหลียวค่อยๆเหลียวไม่ใช่มันเกิดจากการวิจัยวิจัยจนเข้าใจเบษษ็ดเสร็ชํานาญมากแลไปก็ไขควนก่อนทุกครั้งเลยใช่ไหมบาปไม่เกิดจากการแลตรงแลเหลียวจะคู่เข้าจะเหยียดออกใช่ไหมจะคู่เข้าจะคู่เข้าละเอียดออกอันนี้ก็เรียกเหยียดออกใช่ไหมเอาไว้ว่าที่เหยียดได้แล้วก็คู่เข้าเหยียดออก ถ้ารู้ว่าจะเหยียบเอื้อมมือไปหยิบอะไรแล้วบาปเกิดก็ไม่ก่อนเพราะรู้ว่าจะไปทํากรรมชั่วถ้าจะคู่เข้ามาไม่จะหยิบกลับขึ้นมาเหมือนเนี้ยสวยขอจับเอาเลยเนี้ยนี่นี่เหยียดเหยียดก็ไปเพื่อจะทําชั่วนี่เนี้ยคู่เข้ามาเพื่อจะซ่อนนี่อันนี้ก็บาปเกิดอย่างนี้แปลว่าสติสัมิชัญยาแข็งแรงไหมถ้าทําได้ขนาดนี้ จากียาบทสี่พัฒนาไปถึงสมัมปชัญญะเจ็ดอันนี้สอนสติปัฏฐานนี่ยังสอนแล้วแต่ไม่ได้พูดสติปัฏฐานแค่ น, นั้นเองใช่ไหมนี่ไงพระาศาสดาสอนมีสติสมัมปชัญญะในฐานะเจ็ดเพเอิญพวกเรามีเวลาน้อยมันเลยไม่ได้ได้เดินกันถึงขนาดนั้นทั้งนั้นโอ้โหจะ ง, งามมากการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับประทานอาหารใช่ไหม การกินการดื่มการเคี้ยวการเลีมป้องกันไม่ให้บาปเกิดตลอดจะเป็นไปกับกุศลเป็นไปกับการวิจัยเป็นไปกับการพิจารณาเห่นไหมแม้การทายอุจจ า, าปัสสวาวะแม้การนุ่งผ้าใช้ภาชนะทั้งหลายก็จะไม่ให้บาปเกิดเลยยืนเดินนั่งนอนตื่นตื่นก็ไม่ให้บาปเกิดไม่ตื่นขึ้นมาโอ้โหเครียดเลยวันนี้หลับเห็ไหม ก็อหลับยังบุญเกิดเนี่ยพูดในขณะพูดใจก็เป็นไปกับกุศลเมนิ่งอยู่ไม่ใช่นิ่งเพราะโกรธนะนิ่งกับกุศลก็เดินตลอดแปลว่าบริบูรณ์นี้อย่างท่านวันนั้นกุศลเกิดได้อย่างชัดเจนเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดใช่ไหมก็เรียกว่าอโลกีเตวิโดกีเตสัมปชัญญากาลี ปฏิกอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีโหติก่าไปถอยกลอโลกีเตวิโรกีเตสัมปชานาการีโหติกไหมแล่ตรงแหลเหลียวสัมมินชิเตปาษาริเตสัมปชานาการีี๋ยวก็ไล่ไปตามแบบนี้คูเข้าเยอะเนาะมันก็เลยมาใช้เป็นภาษาไทยให้เรามองให้เห็นตอนนี้อยู่ในยาบทไหนเนี่ยนั่งนาะแต่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะ ใ่บาดกันแล้วมั้เนี่ยที่จริงสติพูดไมโจงก็พูดแค่ลักษณะเยลยถ้ากิจของสติก็เป็นการกำจัดความประมาทการขาดสตินะแล้วก็ถ้าอาการปรากฏก็คือมุ่งหน้าต่อต่ออารมณ์นะมีประทฐานของสติคือสัญญาที่มั่นคงนะแล้วก็สติปัฏฐานสี่ เป็นเหตุใกล้ฉะนั้นการจำคำสอนได้เป็นเหตุให้เกิ ด, กดสติได้ดีไหมดีมากๆฉะนั้นพยายามจำให้ได้การจาไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนิรดทั้งสี่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 พอเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอนกเกษมก่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเติดสาธุสาธุสา ธ, สาธุบุญใด ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพระเจ้าทําให้แจ้งโลกุตละทรเก้าในทันทีถ้าข้าพระเจ้ายังผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นอันสมควรได้ครอบกาลยานามิตร ได้ฟังพระสัตธรรมและควรแก่ธรรมและไม่ถึงทมเองความอาภัาพสิบแปดอย่างเว้นทั้งห้าพึงเย็นดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมก่าวคือกามขอให้ข้าพเจ้าเป็นบุญประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฐิที่ดีงามไม่พึงครอบมิชั่วพึงครอบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติมิริโอตปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูคอบงำมไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้า ในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและทรรมขอให้ยานของข้าพระเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพระเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพระเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้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 พึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิดสาธุสาธุสาธุการตั้งจิตอธิษฐานนี่นะปริมาณของเมตบุญที่เกิดขึ้นในใจเนะี่ยฝังแน่นไว้ตามเจตนาที่ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นแล้วนะนั้นกรณีแห่งการตั้งถ้ายิงาย่งเราเข้าใจความหมา ย, ยางการตั้งจิตอธิษฐานเนะนี่ยแปลว่าเนี่ย ตั้งจิตลักษณะนี้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เลยรู้ป่านั้นปริมาณบุญที่เราตั้งไว้จากคุณความดีที่กระทำลักษณะที่มีเจตนามีศรัทธาตั้งมั่นเพื่อจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนไก่การบรรลุและแทงตลอดพระธรรมเนี่ยแต่เพียงว่า ย, ยกตัวอย่างเช่นขอให้ได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมข้อนี้รู้ไหมไหมถึงอะไรปฏิบัติธรรมตามสมควรเนี่ย มันจะคําว่าธรรมมานุธรรมะปฏิปติเข้าแปลว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตลธรรมเริ่มตั้งแต่สา ร, รณาคมไล่ไปตามลําดับนั่นเนะี่ยจนถึงแทงตลอดเนะี่ยนี่เราก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแต่ก่อนเราไม่ได้ฝังศรัทธาความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นความเชื่อมั่นอย่างมุ่งมั่นไว้ในธรรมะข้อนี้ เราชีวิตของเราจึงจึงหลวมมากไงที่ผ่านมาสังสารวัตรของเรามันเนืยยาวเลยต่อไปเอาใหม่ใช่ไหมตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ให้มั่นคงในการอธิษฐานนั้นสรุปก็คือต้องท่องให้ได้ไมั้ยต้องท่องให้ได้ใครท่องไม่ได้ก็รีไปทวนนี้ได้เสียนายยอมจอดนะท่องให้ได้ต่อไปแล้วไม่ต้องพกหนังสือก็ได้แล้วจำแม่ ทำบุญแล้วอธิษฐานอธิษฐานโดยบอกอ่ะเรียบร้อยแล้วกราบพระพ